แสงเนี่ยมันคือคลื่นของอะไรกันแน่เอางี้ก่อนคือปกติสมมุติว่าถ้าผมถือเชือกแล้วสบัดเชือกอ่ะคือคลื่นเชือกอถ้าเราคว้างห็นใส่น้ําแล้วน้ํามันกระเพื่อมออกไปมัน<ผ>มก็คือคลื่นของน้ําคือคลื่นเนี้ยมันมันเป็นการรับพลังงานจากก้อนหินน่ะซึ่งวิ่งไปบนน้ำบุบบุบบุบไปแต่คลื่นของแสงอะ่ะมันคือการกระเพื่อมของอะไรคุณอาจจะไม่ได้เก่งฟิสิก หรืออาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นอัจฉริยะแต่การฝึกฝนจะทำให้คุณเป็นยอดนักฟิสิกส์ได้หรืออย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราเข้าถึงฟิสิกส์ลึกขึ้นเรื่อยๆได้และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆได้ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ Podcast วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ตอนที่เราถ่ายทํากันอยู่นี้นะคะก็อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือแสงค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วทั้งจากธรรมชาติหรือว่าที่มนุษย์สร้างอุปกรณ์ต่างๆสร้างมันขึ้นมานะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแสงคืออะไรวันนี้มาทําความรู้จักแสงกันนะคะในใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นะคะก็เช่นเคยอยู่กับฟางรัฐธโรธจิตพนาค่ะและผมอาจวารวงจันทมาศครับค่ะแสงคืออะไรที่บ่งแปองมันเป็นคําถามที่ คือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวันเราแต่เราไม่ค่อยได้ตั้งคำถามกับมันสักเท่าไหร่นักเลยมาถามพี่เลยคืออารมณ์มันเหมือนแบบถ้าเราอยู่ในห้องมืดเราอยากรู้ว่ามีอะไรในห้องอแล้วก็ฉายแสงเข้าไปถูกปะอาจจะเปิดหน้าต่างให้แสงด้านนอกเข้ามาหรือฉายแสงแต่แสงคืออะไรเนี่ยเออมันเป็นคาถามที่ตอบยากนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยสงสัยในเรื่องนี้มาตั้งแต่ โอ้โหแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับซึ่งหนึ่งในผู้ที่พยายามตอบคาถามนี้คนแรกๆก็ไม่ใช่ใครอื่นนะฮะก็เซอร์ไอแซกนิวตันเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะคือคุณนิวตันเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่พยายามศึกษาธรรมชาติทุกทุกด้านจริงๆเท่าที่เขาจะทําได้นะหนึ่งในนั้นคือการพยายามศึกษาธรรมชาติของแสงคือเขาพยายามมองว่าแสงนี่มันมีธรรมชาติเป็นแบบไหนกันแน่มันถ่ายทอดพลังงานแบบไหนมันเป็นการถ่ายทอดพลังงานแบบไหนก็นแล้วกันนะ หลักๆแล้วการถ่ายทอดพ ล, พลังงานใ น, ในทางฟิสิกส์เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบเนาะ mm hmm. คือมีลักษณะเป็นเม็ดๆกับแบบเป็นคลื่นแสงเนี่ยมันอาจจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่วิ่งไปเป็นแพรแบบพุ่ง mm hmm. ออกไปเป็นเป็นเหมือนสายน้ําก็แล้วกัน <Ha. S 1> เป็นเม็ด <Ha. S 1> อนุภาคอะไรสักอย่างวิ่งออกไปแบบนั้นอ่ะ <Ha. S 1> ใช่หรือจริงๆแสงเนี่ยมันมีธรรมชาติคล้ายๆกับคลื่นน้ําที่มันวิ่งออกไป mm hmm. แต่ว่าการจะศึกษาสิ่งนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราแทบจะจับต้องมันไม่ได้ใช่ถ้าเขาทํำยังไงอะพี่นิวตันเนี่ยก็พยายามใช้ความเป็นอัจฉริยะภาพของตัวเองแล้วก็การนึกคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าปรากฏการธรรมชาติที่เขาเห็นได้ง่ายเนี่ยมาอธิบายต้องบอกก่อนว่านิวตันเนี่ยปักธงไว้ว่าแสงเนี่ยมีธรรมชาติเหมือนเป็นอนุภาคนะครับคือมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเม็ดลูกปืนใหญ่ จำนวนมากมายมหาศาลวิ่งเป็นพื้เป็นแพรคล้ายๆกับสายน้ําอะถ้าเราเปิดไฟฉายอ่ะแสงมันพุ่งออกไปอย่างนั้นนะนิวตัน ม, มองว่าแสงมันคล้ายๆกับเราฉีดฉีดน้ําออกจากสายยางอ่ะ อ, อะไรแบบนั้นอื ม, อมซึ่งถามว่าทําไมเขาเชื่อแบบนั้นอันเนี้ยพูดยากแต่ว่าเขาก็มีหลายอย่างมาสนับสนุนเช่นว่าเราเอาสายยางฉีดน้ำเนี่ยไปฉีดใ<ะ>ส่กาแพงน้ํามันก็เด่งกสะท้อนอะไรเงี้ยแสงมันก็มีการพุ่งมาแล้วก็สะท้อนได้นะฮะ ซึ่งการสะท้อนของอนุภาคแสงเนี่ยก็ก็อธิบายได้ดีมากเลยคือแสงมันสะท้อนมุมต่างๆอะไรยังไงพวกเนี้นะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิตเนี่ยการหักเหของแสงนะเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกลางแล้วเออมันเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับอ่ะอันนี้แบบจําลองความเป็นอนุภาคของแสงก็อธิบายได้ดีมากเหมือนกันใช่แล้วที่สําคัญคือเราในยุค ข, ของนิวตันมันแทบไม่มีใครเคยเห็นปรากฏการณ์ที่แสงเนี่ย มีคุณสมบัติของคลื่นคือคลื่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติประหลาดสองอย่างหลักๆเลยนะครับที่อนุภาคไม่มีก็คือการแทรกสอดกับเลี้ยวเบนอฟังแล้วงงน ะ, ะสมมุติว่ามีน้ําอยู่นะครับเ ป, เป็นสระน้ําแล้วเราขว้างก้อนหินสองลูกสองสองก้อนลงไปพร้อมกันในสระคลื่นน้ําเนี่ยมันวิ่งมามันชนกันแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านกันแล้วระหว่างเคลื่อนที่ผ่านกันเนี่ยมันเรียกว่าเกิดการแทรกสอดกันส่วนที่นูนเนี่ย มันมันวิ่งชนกันแล้วมันก็จะนูนเสริมกันส่วนที่หักล้างมันหักล้างกันได้เลยพวกนี้นะฮะคือนูนกับนูนมันเสริมกันนูนกับนูนขึ้นข้างบนกับนูนลงข้างล่างเนี่ยมันหักล้างกันได้ไอ้คุณสมบัติตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อนุภาคไม่มีนะเราเราไม่เคยแบบเห็นนักฟุตบอลบอลโลกวิ่งมาชนกันแล้วแบบเสริมเสริมกันเป็นมนุษย์สองคนที่ตัวใหญ่อหรือว่าหักล้างหายกันไปเลยแล้วก็วิ่งทะลุกันอนุภาคทําแบบนั้นไม่ได้ค่ะแล้วแสงเหรอคะ เราเราไม่เคยเห็นแสงแทรกสอดกันแล้วกันแล้วเราไม่เคยเห็นแสงเลี้ยวเบนด้วยอันนี้เป็นอีกคุณสมบัตินึงเลี้ยวเบนเป็นยังไงนะคะพี่คืออย่างคลื่นเสียงอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่าเราอยู่ที่ถนนแล้วเราเห็นว่ามีมีขอบขอบตึกบางอะไรสักอย่างไว้แต่เราได้ยินเสียงรถที่อยู่อีกฝากหนึ่งได้เพราะว่าเสียงเนี่ยมันเลี้ยวผ่านขอบอ<า>กําแพงมาได้หรือผมหันหันไปทางเนี้ยแล้วน้องฟางก็ได้ยินผมใช่ไหอเพราะเสียงเนี่ยมันกระจายออกเป็นวง แล้วมันก็เลี้ยวเบนผ่านหัวผมได้อย่างเงี้ย ค, คือการเลี้ยวเบนเป็นคุณสมบัติที่เคลื่อนทำได้แ ต, แต่แต่เราไม่เคยเห็นแสงทำตัวแบบนั้นนิวหลักๆแล้วมันทำให้นิวตันเชื่อว่าแสงน่าจะเป็นเม็ดอนุภาคเลยประกอบขึ้นมาคล้ายๆเม็ดปืนใหญ่หรือสายน้ำอะไรพวกนี้แล้วสิ่งที่เขาเคนพบเนี่ยตอนนี้คือถูกต้องไหมคะเออต้องบอกว่าธรรมชาติของแสงมันลึกลับกว่า น, นั้น แต่วิวัฒนาการความคิดเนี่ยต้องค่อยๆได้เหลี่ยงยุคนิวตันโลเชียว่เป็นอนุภาคแต่ในยุคต่อมาเนี่ยเริ่มมีการทดลองแสดงให้เห็นว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติของคลื่นคนแรกๆที่ทดสอบนะครับคือคนที่ชื่อว่าโทมัสยังเขาเอาแสงเนี่ยมาผ่านช่องเปิดเล็กๆคู่หนึ่งเขาเรียกสลิดแล้วช่องเปิดเนี่ยเล็กมากแล้วมันก็ชิดกันมากจนเกือบจะติดกันอะ่ะเหมือนแงม้มเล็กๆเล็กมากเล็กนี่คือเล็กมากนะครับแล้วเราคนพบว่าแสงเนี่ยมันแทรกสอดกันได้จริงๆ รูปแบบการแทรกสอดของแสงมันไปเกิดบนฉากได้ชัดเจนมากเหมือนคลื่นน้ำเลย <ừ> นะฮะ <ừ> ดังนั้นเนี่ยโแสงเป็นคลื่นแน่นอนแต่ด้วยบารมีของนิวตันมนุษย์เนี่ยพอได้เชื่ออะไรแล้วเนี่ยมันโดยเฉพาะคนที่แบบมีออ t ทอร์ไรส์ออเทอริตี้แบบ <ừ> น่าเชื่อคนก็ยังป<า>กักใจเชื่อด้วยความความเชื่อเดิมอยู่ไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นคลื่น <ừ> ทั้งที่มีการทดลองของโทมัสยังนะะในยุคหนึ่งเนี่ยคนถึงขั้นพยายามจับผิดว่าเฮ้ยแสงเป็นอนุภาคแน่ นหนึ่งในนั้นเป็นนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสก็แล้วกันผมผมขอไม่พูดชื่อนะคือชื่อเยอะเดี๋ยวจะมึนเขาพยายามบอกว่าเฮ้ยแสงเป็นอนุภาคแน่นอนมันเป็นคลื่นไม่ได้แล้วเขาก็ใช้ทฤษฎีคลื่นแสงที่มีในยุค<ใ>นั้นนะครับมาทำการคำนวณพบว่าถ้าเราเอาแผ่นกลมๆ ม, มาบังแสงที่มันพุ่งมาด้วยเงื่อนไขมาเหมาะบางอย่างถ้าแสงเป็นคลื่นนะมันจะมาแทรกสอดตรงกลาง แล้วตรงกลางนี้มันจะต้องเป็นรูสว่างขึ้นมารูหนึ่งตรงกลางเฉยเลยซึ่งมันมันผิดปกติมากมคือเงามันควรจะเป็นเงามืดไปทั้งหมดแต่ถ้าแสงเป็นเครื่อเนี่ยมันจะต้องมีมิจุดสว่างโผล่มาตรงกลางนะครับซึ่งไม่ make sense แต่ปรากฏว่านักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณอาราโกทำการทดลองหลกัหลกๆแล้วในยุคนั้นพยายามจะเชื่อว่ามันไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแต่ทดลองแล้วมันเกิด เกิดเอรูนั้นเหรอคะเกิดจุดสว่างขึ้นตรงกลางเ<า>งาขึ้นจริงๆด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมอย่างที่บอกฮะคือเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณเป็นไอแซคนิวตันหรือไอน์สไตน์มันไม่สำคัญว่ า, Newton, วาทฤษฎีคุณจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนความสำคัญคือทดลองแล้วเป็นยังไงต่างหากกลายเป็นว่าพอทดลองออกมาปุ๊บอา้าวมีรูสว่าง <ทำ S 2> ตรงกลาง น, นะครับ รูสว่างขึ้นตรงกลางที่มันที่มันโผล่ขึ้นกลางเงาเนี้ยทุกวันนี้เราเรียกว่าอาราโก้สปอตนะจุดของอาราโกตั้งชื่อตามเขาซึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่ามันไม่เกิดหรอกแต่เกิดไงนะฮะแล้วดันทดลองเก่งด้วยมันเลยเกิดซึ่งการจะทดลองให้เห็นแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนั้นแต่เขาก็ทดลองได้ซึ่งเก่งมากนะครับทฤษฎีเรื่องเคลื่อนเลยได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยเื่อเรื่อยเืเรื่อยเรื่ แล้วมันก็ความเป็นคลื่นของแสงก็อธิบายการสะทอ้อนการหักเหได้ครอบคลุมขึ้นไปอีกนะทฤษฎีของนิวตันก็ได้รับความเสื่อมความนิยมลงนะครับเหมือน FC ต่างๆเริ่มปันใจมาทางทางสำนักคลื่นแล้วแล้วความเป็นคลื่นเนี่ยมันมาพีคอายุ ข, ของนักฟิสิกส์ที่อาจจะเชื่อมโยงกับตอนก่อนก็คือเจมส์คลิฟส์แม็กซ์เวลล์อีกแล้วะนะครับแมกซ์เวลล์เนี่ยเป็นสานักที่มองว่าแสงเป็นคลื่นแน่นอนนะครับแล้วยัง สร้างสมการที่เรียกได้ว่าเป็นสมการอันศักดิ์สิทธิ์ของคลื่นแสงด้วยนั่นก็คือสมการของแม x กซ์เวลล์แสดงว่ามันต้องแบบว่าเจ๋งมากมาถึงบอกว่าเป็นสมการที่แบบศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้โหคืออย่างนี้ก็แล้วกันปกติถ้าเราอยากรู้ธรรมชาติเกี่ยวกับวัตถุวัตถุก็คือแก้วน้ำ ส, สารต่างๆดาวเคราะห์อะไรพวกนี้เราก็ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นหัวใจในการคำนวณ น, นะครับ แล้วถ้าเราอยากคํานวณอะไรธรรมชาติเกี่ยวกับแสงหรือคลื่นแสงพวกนี้เราจะใช้สมการอะไรคําตอบคือสมการของแม็กซ์เบลคือมันยิ่งใหญ่มากคือมันทัอธิบายธรรมชาติเชิงคลื่นของแสงได้ไดทุกอย่างเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นสมการของแม็กซ์เบลเนี่ยยังยังให้ผลแปลกประหลาดที่เรียกได้ว่าทําให้แสงเนี่ยกลายเป็นอธิบายความเป็นคลื่นได้กว้างขวางขึ้นไปอีกคืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนว่าแสงเนี่ยมันคือคลื่นของอะไรกันแน่เอางี้ก่อน คือปกติสมมติว่าถ้าผมถือเชือกแล้วสะบัดเชือกอ่ะมันก็คือเคลื่อนที่วิ่งอยู่บนเชือกคือเคลื่อนเชือกถ้าเราคว้างห็นใส่น้ําแล้วน้ํามันกระเพื่อมออกไปมันก็คือคลื่อนของน้ําคือเคลื่อนเนี่ยมันมันเป็นการรับพลังงานจากก้อนหินน่ะซึ่งวิ่งไปบนน้ําบุบไปคแต่คลื่นของแสงอ่ะมันคือการกระเพื่อมของอะไรอืมเพราะมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ใช่แต่ทดลองได้นะหลังๆมาทดลองได้แต่แม็กซ์เวลล์ค้นพบว่าคลื่อนแสงเนี่ย มันไม่ใช่อะไรนอกไปสจากการกระเพื่มของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าโอ้นมามธรรมมากซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยความเป็นนมามธรรมตรงเนี้ยผมว่าการเรียนฟิสิกส์นะน้องฟา ง, งคือบางคนบอกว่าเรียนฟิสิกส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ต้องทดลองได้อะไรพวกนี้ <Ha. S 1> มันไม่ใช่จินตนาการเลยผมว่าเค้งตรงกันข้ามเลย <Ừ. S 1> ฟิสิกส์เนี่ยมันมันยากส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันต้องจินตนาการ uh, uh, uh, uh. และจินตนาการ ของฟิสิกส์เนี่ยฟรายแมนเหมือนเคยจะกล่าวไว้ว่ามันแตกต่างจากการจินตนาการเชิงแบบถามว่านางฟ้ามีหน้าตายังไงอะไรพวกนี้คือจินตนาการเชิงฟิสิกส์มันเป็นอีกิ่นนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่มีความชัดเจนมากนะครับแล้วก็ต้องอาศัยทักษะในการจินตนาการด้วยมันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากและซับซ้อนแต่ฝึกกันได้นะคือคุณอาจจะไม่ได้เก่งฟิสิกส์หรืออาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นอาญญาัจฉริยะแต่การฝึกฝนจะทําให้คุณเป็นยอดนักฟิสิกส์ได้ หรืออย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราเข้าถึงฟิสิกส์ลึกขึ้นเรื่อยๆได้และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆได้นะครเอาเป็นว่าแสงเนี่ยมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิ่งคลอกันไปนะแต่ในยุค ข, ของแม็กซ์เวลเนี่ยมนุษย์ยังเชื่อกันอยู่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีตัวกลางในการวิ่ง อ, อยู่โดดๆไม่ได้น ะ, ะมันวิ่งโดดๆของมันไม่ได้ดังนั้นแสงอาทิตย์จะวิ่งส่องมายังโลกของเราได้เนี่ยมันจะต้องมีเอกพภพหรืออวกาศจะต้องมีตัวกลางบางอย่าง เติมเต็มไว้อยู่ซึ่งตัวกลางเนี้ยเขาเรียกว่าอีเซอร์อมันคืออะไรคะอีเซอร์เนี่ยเป็นตัวกลางที่แปลกประหลาดคือมันใส่มากมันไม่บังแสงเลยแต่มันก็ไม่รบกวนการเคลื่อนที่ด้วยคือดาวเคราะห์ต่างๆก็ยังโคจรได้ตามปกติเหมือนไม่มีมันอยู่อแต่มันมีนะมันมันคืออะไระคะถ้าเรานิยามมันทุกคนนีเรารู้ว่ามันไม่มีครับอีเซอร์เนี่ยไม่มีจริงอ๋อ ซึ่งการจะค้นพบว่าอีเตอร์ไม่มีจริงเนี่ยซับซ้อนและเราจะต้องคุยในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษถ้าจะทําสักตอนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ยากมากเลยแต่ว่าในยุคนึงอ่ะเราเชื่อว่ามันมีอีเตอร์แต่ยุคนี้ยเรารู้แล้วว่ามันไม่มีอ๋อไม่มีการทดลองต่างๆชี้เลยว่าไม่มีแล้วไม่จําเป็นต้องมีด้วยแต่ในยุคนั้นมีตําราเขียนเลยนะตําราของนักฟิสิกส์ระดับโลกเลยนะอิอิเตอร์เป็นเล่มเลยอ่ะแบบไปเรื่อยเลยคือ นักฟิสิกส์ที่ผมชอบคนหนึ่งชื่อสตีเฟนไวเบอร์เขาเพิ่งเขาเพิ่งเสียไปปีไม่ไม่นานมานี้นะครับเขาพูดเลยว่าในการเรียนฟิสิกส์และเป็นนักฟิสิกส์นะครับในการเรียนรู้เป็นนักวิจัยอะไรพวกนี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องทําใจคือคุณอาจจะหลงทิศหลงทางไปไกลมากมุมที่นักฟิสิกส์เป็นหนังสือเป็นเล่มเป็เล่มๆทั้งที่มันทุกคนนี้ไม่มีแต่เราเขียนถึงสิ่งไม่มีได้เป็นเล่มๆน่าทึ่งนะ เราก็อาจจะจินตนาการผิดไปบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปไกลมากไม่ใช่บ้างนะไปไกลมากโอเคโอเคอ่ะงั้นงั้นกลับมาแปลว่าการไม่มีอีเตอร์มันบอกอะไรกับเราคะ่ะมันบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องมีตัวกลางกูวิ่งได้มันวิ่งในสุญญากาศได้ซึ่งไอ้เรื่องนี้เป็ น, เ, ปนเรื่องประหลาดนะครับคือการวิ่งของคลื่นในสุญญากาศเนี่ยในยุคนั้นเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากหมายความว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนขี่กันไปกันมาแล้วมันเหนี่ยวนํากันและกันโดยที่ไม่ต้องใครไม่ต้องอาศัย ตัวกลางมาคอยขวางกั้นระหว่างความรักระหว่าง2อสิ่งนี้มันคลอกันไปได้มันเดี๋ยวนําให้เกิดกันและกันได้เออมันดูโรแมนติกดีนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันมันเป็นแนวคิดที่ประหลาดแล้วความคิดที่ว่าเอกภพเต็มไปด้วยสุญยากาศก็แปลกประหลาดด้วยนะสภาพนี้มันต้องสร้างอย่างตั้งใจอ่ะแต่ถามว่าแบบอวกาศมันมีสุญยากาศมันมีความประหลาดแบบนั้นจริงเหรอเนี่ย คนนึกไม่ถึงเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจนะว่าโอเคมันใช้จินตนาการแต่อันนี้มันยากไปอีกเพราะเราต้องจินตนาการถึงสิ่งที่มันไม่มีใช่ความ m, เป็นสุญญากาศแต่แต่แตน่นอนทุกวันนี้เรารู้ดีว่าเอาระกาศเป็นสุญญากาศแล้วเราเรียนกันไปกันมาจนลืมไปแล้วว่าความเป็นสุญญากาศเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องน่าทึ่งนะมันไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะใช่ค่ ะ, คะทีนี้ถ้ากลับมาที่เรื่องของแสงเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าไปไกลมากบอกว่าแสงมันเป็นคลื่นแล้วเราควรรู้จักแสงในมิติไหนอีกบ้างคะก่อนจะ สรุปกันละกันว่าแสงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยมันมีการทดลองที่เรียกได้ว่าทำให้นักฟิสิกส์ค่อนข้างช็อกมากเมื่อประมาณปี1900ในช่วงนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนนะั้นหน่อยๆแต่ผมผมตีสัด ก, กลมๆแล้วกันบวกลบนะฮะคือมีการทดลองค้นพบว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทฤษฎีคลื่นอธิบายไม่ได้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าโฟโตอิเล็กทออริกฟังแล้วงงนะ ถ้าเราเอาโลหะมาแล้วฉายแสงเข้าไปนะครับถ้าเป็นแสงสีแดงหรือความยาวคลื่นมากๆนะฮะความยาวคลื่นมากๆเนี่ยถ้าเราทําให้สีแดงนี่เข้มมากๆคือแดงฉานเลยเหมือนห้องแบบเปิดมาแล้วแดงแบบแดงแป๊ดแบบโหแดงแป้นเลยอะ่ะเฮ้ยอิเล็กตรอนจากโลหะมันไม่หลุดไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอเราเปลี่ยนความที่เปลี่ยนสีมาถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นสักสีสีสีเขียวๆอะไรเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่า อ, อิเล็กตรอนหลุดได้เกิดกระแสไฟฟ้ามแม้ว่าจะเป็นสีเขียวอ่ อ, อนๆนก็ตามทฤษฎีคลื่นของเจมส์ c คลิร์กส์แมกซ์เวลล์เนี่ยอธิบายไม่ได้เรื่องใหญ่มาก ค, คือแม x กซ์เวลล์สร้างสมการขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเป็นยูนิเวอร์แซลมันต้องอธิบายได้ทุกอย่างแต่มันอธิบายปรากฏการที่อิเล็กตรอนของเหล็กมันหลุดเมือ่อเราเปลี่ยนความถี่ถึงจุดหนึ่งไม่ได้ เมื่อกี้แปลว่านอกจากเรื่องสีเนี่ยมันมีเรื่องความถี่ด้วยใช่ก็คื อ, อ, อสีที่เราเห็นเนี่ยนะฮะจริ ง, รงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างจะข้ามเกี่ยวกับการมองเห็นมากเลยเรื่องของแสงมันซับซ้อนมากแล้วกันแล้ว เ, เดี๋ยวจะอธิบายในในช่วงถัดๆไปว่ามันเกิดการประยุกใช้อย่างไรนะ<ฆ>แต่ในตอนนี้จะอธิบายให้ฟังว่าธรรมชาติของแสงเนี่ยมันลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าสีเนี่ยนะครับเพราะคือเราพอเร า, พอเราใช้แสงใสโลหะ แล้วเราเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยพอเปลี่ยนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนมันหลุดแล้วเกิดไฟฟ้าไหลในวงจรบางอย่างได้ซึ่งความเป็นคลื่นอธิบายไม่ได้ค่ะมันต้องมองว่าแสงเนี่ยมีลักษณะเป็นเม็ดอีกแล้ว อ, อ๋อ <c oughs> ซึ่งเม็ดเนี่ยทุกวันนี้เราเรียกเม็ดนะฮะหรือเม็ดพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องแล้วมันมากระแทกโลหะเนี่ยเม็ดเมดพวกนี้เราเรียกว่าโฟตอนอเป็นอนุภาคของแสงงั้นงั้นแสง <c oughs> มันมีทั้งความเป็นอนุภาคและความเป็นคลื่นเหรอคะใช่ครับ และผู้ที่สร้างแบบจำลองโฟตอนขึ้นมาคนแรกก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ที่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้คนแรกก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์และเขาก็ได้รางวัลโนเบลจากการอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วย mm. นะแน่นอนว่ามันมีมีประโยชน์หลายอย่างนะครับแต่มันมันเป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้มนุษย์ได้กลับมารู้ว่าเฮ้ยธรรมชาติของแสงมันล้ำลึกมากในหลายๆปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นคลื่นแต่บางปรากฏการณ์นะฮะมันกลับมาเป็นอนุภาค mm. ใช่ ซึ่งมันถือเป็นคุณสมบัติคุณลักษณะที่พิเศษพิเศษเพราะมันมีในสิ่งอื่นมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติเชิงควอนตัมลึกไปอีกนะคะเนี่ยทฤษฎีควอนตัมนะมันเป็นทฤษฎีที่เข้าใจยากนิดหน่อยหนึ่งแต่ว่าลึกๆแล้วเราค้นพบว่าอนุภาคหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในโลกควอนตัมเนี่ยมันมีดูออลิตี้คือหมายความว่ามันมีคุณสมบัติของทั้งคลื่นและอนุภาคอยู่ในตัวมัน แสงก็เช่นกันครับมันก็จะมีคุณสมบัติของของคลื่นอยู่และแน่นอนมันมีคุณสมบัติของอนุภาคด้วยเรียกว่าโฟตอนซึ่งอนุภาคของแสงเนี่ยประหลาดกว่าอนุภาคที่เรารู้จักกันเช่นอิเล็กตรอนหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าโฟตอนไม่มีมวลฮะมีมวลเป็นศูนย์ไม่มีมวลเป็นอนุภาคแต่ไม่มีมวลแต่ไม่มีมวลแปลกนะออืเออยิ่งพูดยิ่งยากเนาะ อนนเออแต่ยิ่งยิ่งเห็นความเห็นความพิเศษของมันจึิงอย่างที่พี่บ่งแปงพูดตอนต้นว่ามันเป็นสิ่งที่ฉายให้เราเห็นสิ่งอื่นแต่เราไม่เคยเห็นตัวมันที่ซึ่งนฟิสิกส์ทุกวันนี้อธิบายได้ด้วยนะว่าทําไมมันถึงไม่มีมวลค่ะใช่ซึ่งทฤษฎีที่อธิบายเรื่องเนี้ก็ยากเข้าไปอีกชื่อทฤษฎีเกทเกททีโรี่ฮะ อ, อันนี้ เคยได้ยินไหมครับไม่เคยเลยทฤษฎีควอนตัมอาจจะเคยได้ยินนะคุ้นๆแต่ท่านใดใดนโลกล้วนทิษฎีทำเรื่องทฤษฎีเกณอ่ะยากกว่าควอนตัมอีกนะยากกว่าควอนตัมคือมันจะคือควอนตัมนี่ก็ระดับนึงแล้วใช่ไหมทฤษฎีเกนี่คือโคตรนามาทาเลยอ่ะคอมเมนต์นะคะอยากดูไหมคะเป็นงานยากแล้วโอเคแต่มันอธิบายได้เลยว่าทาไมแสงต้องถึงไม่มีมวล ต้ไม่มีมวลด้วยนะมันเป็นมันเหมือนเหมือนของที่ลึกลับซับซ้อนประมาณหนึ่งนะมันเหมือนศึกษาแล้วมันก็ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วแนวคิดของฟิสิกส์เนี่ยคือเราจะเริ่มต้นสั่งจากสมมุติฐานไม่กี่ข้อแต่นําไปอธิบายปรากฏการธรรมชาติได้กว้างขวางมันต้องเป็นแบบนั้นผมว่ามันสวยงามทฤษฎีเกรตอย่างเงี้ยมันจะเริ่มต้นจากแนวคิดพื้นฐานไม่กี่อย่างเรียกว่าความสมมาตรอะไรเงี้ยสุดท้ายมันนํามาซึ่งการอธิบายธรรมชาติของอนุภาคมูลฐาน หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเอกภพได้แสงก็เป็นหนึ่งในนั้นประมาณนี้ละกันคสำหรับ เ, ออเด็กสายสินอย่างฟางตอนนี้มีคําศัพท์อะไรไม่รู้แต็ไมไปหมดอยู่ในหัวเมื่อกี้นะคะที่พี่ปองแปงพูดแต่ทีนี้มันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่ปองแปงที่อยากถามคือเวลาเราพูดถึงแสงเราจะได้ยินคำว่าเดินทางด้วยความเร็วแสงอย่างเงี้ยไอความเร็วแสงนี่มันคืออะไรคะก็คือความเร็วคือระยะทางที่แสงวิ่งไปได้หารด้วยเวลา ก็คือความเร็วของมันเนาะซึ่งจริงๆแล้วพูดถึงความเร็วแสงเนี่ยผมย้อนกลับไปที่สมการแมกซ์เวลก่อนต่อไปนี้ผมจะผมจะกลับมามองว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นเป็นหลักละกันเพราะว่า เ, เราคุ้นเคยใ น, ในความเป็นคลื่นของมันแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ในปรากฏการณ์ต่างๆได้เยอะด้วยนะแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสมการของแมกซ์เวลเนี่ยทำนายไว้ว่าแสงเนี่ยเป็นเพียงแค่ช่วงเล็กๆช่วงหนึ่งเท่านั้นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นเพียงช่วงเล็กๆหมายความว่าอะไรคะ หมายความว่าแสงเนี่ยมันมีประกอบไปด้วยสีต่างๆเนาะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นม่วงคามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่สีสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าความยาวคลื่นยาวแต่ส่วนที่ความยาวคลื่นยาวยาวกว่าสีแดงมันก็มีมแต่ตาเราอะ่ะไม่เห็นละส่วนความยาวคลื่นที่สั้นเหนือเ อ, อสีม่วงขึ้นไปมีไหมมีแต่ตาเราอะก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่มันมี และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มองเห็นก็มีนะครับเช่นจริงๆทําเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นนี่ก็ได้อีกตอ น, นึงยาวเลยเหมือนกันนะแต่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเช่นว่าสิ่งมีชีวิตหลายอย่างอาจจะมองเห็นอินฟราเรดอินฟราเรดก็คือคลื่นที่อยู่ใต้สีแดงน ะ, ะพวกงูพวกอะไรที่ตรวจจับรังสีความร้อนพวกนี้พวกนี้จะต้องเห็นอินฟราเรดแล้วต่ากว่าอินฟราเรดลงไปความยาวคลื่นยาวไปอีกก็จะเป็นพวกคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้ทุกวันนี้เราใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุเต็มไปหมดเลยนะครับในการส่งสัญญาณในการตรวจจับอะไรพวกนี้ เหนือสีม่วงขึ้นไปก็จะมีคลื่นที่เรียกว่า ultraviolet หรือ UV อันนี้ตาเราบอกไม่เห็นนะฮะแต่เรารับรู้ผลของมันจากการที่ดวงอาทิตย์มันส่อง UV ออกมาแล้วมันก็ทำให้เกิดผิวหนังมันเกิดเอจจิ้งอะไรพวกเนี้ยนะถ้ารับเยอะๆก็อาจจะก่อให้เกิดผลผลเสียอะไรพวกเนี้ย UV พวกเนี้ยนะครับเหนือจาก UV ขึ้นไปก็จะเป็นพวกรังสี X รังสีแกมมาอะไรพวกเนี้ยนะรังสี X r a y นะครับจะเห็นได้ว่าความเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย มันมันเป็นแถบที่ใหญ่มากเหมันโต๊ะเนี่ยกระแสงมันเป็นจุดแคบๆเท่านั้นที่ตา ม, มนุษย์เรามองเห็น<อ>ทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเร็วเท่ากันหมด<อ>ไม่มีใครเกินกันเพียงแต่ตาเรามองเห็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นใช่แล้วทั้งหมดนะกลับมาวิ่งแข่งกันนะเอารังสี X เอาเออเอ้าทาร์ไวโอเลตเอาแสงอินฟราเรดเอาคลื่นแม่ทูบมาวิ่งแข่งกันครับสาสวิ่งเร็วเท่ากันเลย<อ>ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ เราก็มักจะเรียกว่าความเร็วแสงเพราะเราคุ้นเคยกับแสงซึ่งมันเร็วมากเร็วถึงขั้นไหนน่ะเหรอคนแรกๆที่พยายามวัดความเร็วแสงคือใครครับให้ถ่ายฟางต้องถ่ายถูกแหละมันเป็นเขาเคยโผล่มาเขาเคยโผล่มาบ่อยมากใครคะกาลิเลโอฮะโอ้โหอัจฉริยะอีกแล้วใช่อยากรู้ไปหมดเขาก็ลองขึ้นไปบนภูเขาสองลูกแล้วเปิดตะเกียงดูฮะให้เพื่อนเปิดตะเกียงแล้วเาจะจับชิพจรดูว่า หลังจากเปิดตะเกียงแล้วอ่ะเขาเห็นหลังจากนั้นอ่ะเร็วแค่ไหนแล้วก็จะรีบเปิดตะเกียงกลับแล้วให้เพื่อนจับเวลาว่าหลังจากตัวเองเปิดไฟแล้วอ่ะเปิดเปิดช่องให้แสงวิ่งออกมาเออคุณการิเลโอเปิดเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยผลปรากฏว่ามันทันทีครับมันวัดไม่ได้<น>มันวัดไม่ได้มันเร็วมากอการิเลโอก็เลยไม่รู้ว่าแสงเนี่ยมันเร็วแบบแบบเป็นอนันต์คือคือส่องปุ๊บเห็นปั๊บหรือว่ามันมีความเร็วจํากัดอยู่ค่าหนึ่งที่เร็วมากคือ การทดลองเขาสรุปผลไม่ได้แล้วกันซึ่งไม่แปลกใจอะไรฮะมันเราไม่น่าแปลกใจเพราะแสงมันเร็วมากอืเร็วแค่ไหนหนึ่งวินะครับฟงังหนึ่งสองสามจับครับหนึ่งวิแสงมันวิ่งไปแล้วอะประมาณ7็ดรอบโลกล ม, มันใช้มาตรวัดเวลาแบบที่เรามีอยู่อะไม่ได้ยากมันเร็วมากมคือเนี่ยอย่างที่บอกถ้าวิ่งตรงเส้นศูนสูตโลกอะหนึ่งวิมันวิ่งไปเจ็ดรอบโลกครึ่งนะเจ็ดรอบครึ่งนะฟงังลองนึกว่าตัวเองเร็วเท่าแสงครับหนึ่งสองสาม วิ่งเปเจ็ดรอบแล้วตอนนี้ไปอยู่แถวๆเมกาแล้วพ อ, อไปอีกหนึ่งวิอ่ะว้าอีกเจ็ดรอบแล้ววุ๊กลับมาอยู่ที่เมืองไทยท็อปเ ม, มสติ้งมากเร็วมากมใช่ซึ่งความเร็วของแสงเนี่ยมันจึงเป็นประโยชน์มากในการพูดถึงเรื่องหลายอย่างเช่นในทางดาราศาสตร์ซึ่งฟังฟั ง, ฟ, งฟังได้เกล่นไว้กับผมหลังจากถ่ายและก่อนถ่ายรายการนะว่าอาวากาศนี้มันใหญ่เวลาพูดถึงระยะทางต่างๆเนี่ยนะครับบางทีพูดเป็นกิโลเมตรเนี่ย มันไม่เหมาะสมมันมันหลายล้านกิโลเมตรจนแบบล้านลลล้านล้านกิโลเมตรแล้วแบบเลขสูนมันเยอะมันรั่วจัดอะครับเขาจะต้องใช้มาตรวัดระยะทางใหม่ที่มัน make sense กว่าอืมนั่นก็คือปีแสงอืมคือปีแสงเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลานะครับคือถ้าถามว่าปีแสงนานหรือเปล่าเราบอกนานครับอะมันไม่นานครับมันเป็นระยะทางระยะทางย่อไม่นานใช่ มันมีแค่คำว่าปีอยู่ภาษาอังกฤษก็ไลเยียนะบัสลเยียซึ่งปีแสงเนี่ยมันคือระยะทางที่แสงวิ่งได้ในหนึ่งปีหนึ่งวินาทีเนี่ยมันวิ่งไปเจ็ดรอบโลกครึ่งแต่หนึ่งปีเนี่ยโอ้โหมันมันไกลามากเลยแต่สำหรับอวกาศแล้วครับหนึ่งปีแสงอะ่ะมันมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นอืมอืมก็คือมันเอ่อมันใช้ความเร็วของแสงเนี่ยมาวัดระยะทางมาบอกระยะทางมาบอกระยะทางเช่น จากระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์นะครับคือปล่อยแสงขึ้นไปถึงดวงจันทร์เนี่ยประมาณวินหนึ่งนะจากดวงอาทิตย์มายังโลกของเราเนี่ยแสงวิ่งประมาณ8นาทีก็ก็ฟังดูไม่ปีนะครับแต่ว่าถ้าในระบบสุริยะเนี่ยมันอาจจะไม่ปีฮะแต่นอกระบบสุริยะออกไปมันเป็นปีเช่นจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ไปถึงดาวฤกษ์อีกดวงที่ใกล้ที่สุดชื่อ Proxima Cent ัลลี่ปีแสงกว่าแล้วนะโอ้หรือว่ามันไกลมากไกลดิก็คือไกลสําหรับมนุษย์ แต่สำหรับแสงก็ก็ไกลแหละ4ปีแต่สำหรับเอกภพสำหรับอวกาศอ่ะโอ้ยนี่ใกล้แล้ว4ปีเองแสงเดือทาง4ปีเองใกล้ๆเหมือนปักซอยอ่ะใช่อันอื่นเป็นร0อยปีบางอันเป็นแสนปีแสงบางอันระยะทางระหว่างกาแล็กซีอย่างเงี้ยปีแสงเริ่มเริ่มไม่เหมาะแล้วนะเขาจะใช้พาสเป็นระยะเป็นระยะทางอีกอันหนึ่งที่ที่เม็เซนกว่าปีแสงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย เพราะว่ามันกว้างใหญ่แล้วก็ไกลาจากกันมากค่ะแล้วที่เราที่เรารู้ทั้งความเป็นอนุภาคความเป็นคลื่นหรือว่าการเดินทางของมันหรือว่าความเร็วความเร็วของมันมสนิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเอามาใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจําวันหรือมันเป็นความร<ฮ>ู้ที่มาต่อยอดอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างคําถามนี้นะผมต้องบอกเลยว่าผมผมดีใจมากเพราะมีประโยชน์ คือหลายเรื่องในทางฟิสิกส์เนี่ยมันรอการใช้ประโยชน์หลายเรื่องเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้ไว้ก่อนนะครับคือการใช้ประโยชน์หลายเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไว้ก่อนเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้แต่แสงเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมันเต็มไปหมดทัฟ่ฟังสิ่งที่ผมว่ามีประโยชน์มากแล้วเราลหลายๆคนอาจจะไม่ไม่รู้ว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยเป็นผมว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ ของแสงที่เรียกได้ว่าในช่วงร้อปีเนี่ยมนุษย์สร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้เป็นเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยใช้เยอะมากนะครับทั้งในแง่ของออความบันเทิงทั้งในแง่ของการอ่านข้อมูลทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์พื้นฐานเราสามารถวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยําด้วยเลเซอร์นะครับ อ, อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราเอากระจกไปวางไว้บนดวงจันทร์แล้วก็ยิงเลเซอร์ไปให้มันสะท้อนกลับมาอย่างเงี้ยก็ต้องมีเลเซอร์ Oh. มันถึงจะมีแสงกำลังสูงที่มีความคลีนผมใช้คำเนี้ยคือมันเป็นแสงความยาวคลื่นเดี่ยวๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เฟสของคลื่นมันมีความตรงกันแล้วกันนะแล้วก็เลเซอร์เนียยังใช้ในทางการแพทย์ทำเลสิกทำอะไรพวกนี้ก็เลเซอร์นะครับรักษาพวกเนื้องอกเฉือนเออเอาสิวออกเลเซอร์เยอะมากเลเซอร์เนี่ยเล่าได้ยาวมากๆแล้วก็กำเนิดของมันเนียก็น่าสนใจด้วยนะครับแต่ว่า อันนี้เป็นแนวทางการประยุกต์อย่างหนึ่งของของแสงแสงเนี่ยความเข้าใจของมันยังนํามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในเชิงการตรวจจับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า, ฟาแล้วก็ขยายผลการใช้งานของมันแทนที่จะพูดถึงแค่ความเป็นแสงแล้วก็ใช้งานคลื่อนอินฟล่าต์คลื่นวิทยุาการตรวจจับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆสัญญาณการขโมยอะไรพวกนี้ตรวจจับอินฟล่าต์อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีแสงเป็นเป็นจุดเริ่มตน้นใช่แล้วก็เรื่องนี้ เล่าดีหรือเปล่าเล่าแล้วกันความรู้เกี่ยวกับแสงเนี่ยยังนํามาซึ่งการทดลองที่ผมว่ามันแปลกประหลาดมากทางชีววิทยานะครับคือทุกวันนี้มันมีการทดลองที่ผมว่ามันโหดพอสมควรนะคือใช้แสงเลเซอร์ไปใส่สมองสัตว์เช่นหนูอย่างเงี้ยที่ตายแล้วหรือว่ายังไม่ตายยังไม่ตายแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมมันให้มันมีมีพฤติกรรมเป็นไปตามที่ต้องการอะไรเงี้ยอ๋อแปลว่าแสงมันไปกระตุ้นสมองอะไรบางอย่างในสมอง ทำให้หนูสองตัวมันรักกันอย่างเงี้ยเฮ้ยใจร้ายมากเลยนะโอเคครับเพื่อการทดลองโอเคเพื่อการทดลองเอ้ยคือก็ใจร้ายแหละแต่ว่าคือผมต้องบอกอย่างนี้ทุกวันนี้นักชีววิทยานี้ข้ามไปนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยมันก็คอนแปรไปเรื่อยครับเขาเขาคอนแปรเหมือนศิลปินอ่ะอในเรื่องการทดลองเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขาก็มีจริยธรรมพยายามทําให้มันโหดร้ายน้อยที่สุดทําให้สัตว์ทรมานน้อยที่สุด อะไรนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟิลหนึ่งที่นักวิจัยศึกษาฮิตกันมากในยุคนี้เลยใช่ใช้ใช้แสงควบคุมสมองและพฤติกรรมสัตว์ค่ะพอฟังแล้วนะพี่ปองแปงฟังรู้สึกว่ามันเหมือนกับที่พี่ปองแปงพูดเมื่อกี้เรื่องแสงเนี่ยมัน ต่อยอดไปได้เรื่อยๆที่ตาเห็นมันอาจจะเป็นแค่แสงแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง<ช>หมดอีกมากมายเหมือนกันไอ้มุมมองที่เราคุยกันเรื่องแสงในตอนเนี้เวลาไม่พอเดี๋ยวต้องสงสัยต้องต่อกัน <c oughs> อีกสักหน่อยนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้เราเห็นมิติอื่นๆนอกจากแค่ที่ตาเห็นอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสำหรับเด็กสายสินนะ <c oughs> แต่ว่าพอวันนี้พ่อมาฟังแล้วก็ เออเราก็เข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆอะนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้กับเราถ้าใครอยากฟังข้อมูลแน่นๆ แ, แบบนี้จากพี่ <c oughs> บงแบ่งนะคะก็กด subscribe นะคะ YouTube channel The Standard Podcast แล้วก็ติดตามได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ได้ทุก Podcast Player เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears